เมื่อกี้ถึงใครแล้วล่ะวาดไปนำ้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะรายงานผลการปฏิบัติช่วงห้าวันนี้นะคะช่วงห้าวันนี้ทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะแล้วก็จะคิดตลอดะคะหลวงพ่อเลยส่งผลให้การภาวนาไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนคนแบบภาวนาไม่เป็นเลยนะคะก็แบบทึบจิต จ, จะทึบมึนแล้วก็ป่อแป้ หมดเรี่ยงหมดแรงนะเจ้าคะตลอดหวันเลยเจ้าคะแต่ว่าไม่เป็นทําไมรู้ว่าจิตทึบจิตมืดจิตซึมจิตป้อแป้มันมันเหมือนมองอะไรไม่ออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็มองออกไงว่าทึบซึมป้อแป้หมดเรี่ยงหมดแรงแต่มันไม่เบิกบานเจ้าค่ะเห็นไหมอยากได้เบิกบานอยากดีนึกออกไหมในความเป็นจริงนั้นสามารถเห็นสภาวะทั้งหลายได้อยู่แล้ว สภาวะนั้นไม่ดีก็เรื่องของมันสิมันก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกับตัวอื่นนั่นแหละแต่ว่าพอใจลึกๆของเราอยากให้ดีอยากให้รู้ตัวได้ชัดให้สว่างให้คมอะไรเงี้ยเราอยากได้อยากได้แล้วไม่ได้เราก็บอกว่าภาวนาไม่ดีในความเป็นจริงนะภาวนาดี แปลว่าคือต้องกลับมาดูตัวอย่างใช่ไหมเจ้าหลวงพ่อใช่พี่หลวงพ่อบอกไงว่าเมื่อรู้สภาวะแล้วเนี่ยให้รู้ทันความยินดียินร้ายเราไม่ชอบยินร้ายแต่ตอนที่โยมอยู่ที่บ้านของที่ช่วง5วันนั้นะเจ้าคะมันไม่ถึงขนาดว่ายินร้ายนะเจ้าคะมันก็รู้ของมันไปอย่างนั้นเออมันรู้แบบแห้งแล้งในใจมันไม่ชอบไงเจ้ค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไปดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วเขาพูดถึงโรคเกี่ยวกับ เลนตาลอกอะไรย่างเงี้ยค่ะลอกกระจกเลติน่ามันลอกออกมาอย่างเงี้ยจ้าคะขณะที่มันเห็นอนาตมมยของตาเนี่ยมันแวบกลับเข้ามาดูกายตัวเองดูดูเบ้าตาดูมันมันเร็วมากนะจ้าค่ะเหมือนเอ็กซเรย์ตัวเองแล้วมันก็พูดคําบอกกับตัวเองว่ามันแค่ท่าที่ยืมมาเออก็ดีละจิตมันมีปัญญาไอ้ตรงนี้มันเป็นสมถะหรือเปล่าจ้าคะจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมานะบันแวบหนึ่งเลยนะจ้าคะมันเกิดเอง เกิดเองนะเกิด ค, ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแวบก็รู้ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็วันนี้ที่กลับมามันก็รู้สึกว่าพอมาอยู่กับหลวงพ่อมันเริ่มมีแรงมันเริ่มแจ่มใสมาสัมผัสความรู้สึกแจ่มใสขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในขณะที่ฟังเนี่ยฟังกระทบ ป, ปรุงฟังกระทบ ป, ปรุงคือหมเพราะว่า พอมีสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปพุบมันก็กลับไปปรุงไปล้วงอดีตที่สภาวะของตัวเองปรุงไปแล้วก็รวบหลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีกกระทบอีกปรุงอีกกระทบอีกปรุงอีกอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็อย่างนั้นแหละฟุ้งเยอะ้าค่ะฟุ้งซ่านมากเจ้าค่ะมีใครไม่ปรุงบ้างมีไหมมีเหมือนกันอะแต่บอกไม่ได้ว่าใครหลวงพ่อมีอะมีอะไรแนะนําโยมเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะอย่าไปเอาดี รู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดมัวรู้ว่ามัวเห็นไหมมัวก็ไม่เที่ยงตอนนี้ไม่ค่อยมัวอีกแล้วอย่าไปเอาดีนะเอาให้เห็นไตรลักษณ์เมื่อไหรใจยอมรับไตรักษณ์เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจไม่แกว่งแล้วไม่ดิ้นขึ้นดิ้นลงแล้นี่ใจเราดิ้นขึ้นดิ้นลงเพราะมันไม่ยอมรับไตรลักษณ์อ่ะต่อไปใครจะยกมืออคนนี้ยกไปมาก ซยกหรือเปล่าอยู่บ้านซ้อมกล่าวนมรสการหลวงพ่อค่ะคือว่าหนูว่าเคยจุดทูบสาบานนะคะว่าหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแต่ตอนเนี้หนูผิดคาสาบานนะคะมไม่รู้ว่าหนูจะได้รับผลกรรมอะไรตรงนั้นบ้างไหมคะจะหนักหนาขนาดไหนคะตอนนี้ก็รับแล้วนี่รุ่มใจ <laughs> ไม่ต้องมองไกลนะมองปัจจุบันไป อะไรถ้ามันทําผิดไปแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปทําอีกตั้งใจอย่างนั้นแต่อย่าไปถึงก็สอนปงสาบานไม่จําเป็นหรอกนะแล้วไปกรีดเลือดสาบานหรือป่าไม่ค่ะหรือแค่<ะ>จุดทูบสาบานค่าานะนี่แหละเปลืองทูบคือคือหนูแบบว่าหนูสาบานประมาณว่าถ้าเกิดหนูพิดคําสาบานเนี่ยขอให้หนูมีอันเป็นไปอะคา่ะอ่เนี่ยแหละเราเป็นไปแล้วเรากลุ้มใจ เรารู้ไปอย่างนี้นะแล้วเจริญสติไปนะแล้วหนูควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นลืมะะลืมอดีตไปนะแล้วก็หัดเจริญสติอยู่กับปัจจุบันนี้นะอะไรอะไรก็ไม่สู้กรรมจำไว้นะคําสาบานอะไรเนี้ยหรือไปบอกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเงี้ยสู้กรรมไม่ได้หรอกเมื่อกรรมไม่ดีเกิดขึ้น ส่งรสฐบาลไว้แล้วไม่ทําไม่ดีไปทําเข้าอะไรเนะี่ยต้องมีผลนะแต่เราทํากรรมดีให้ยิ่งขึ้นมันคล้ายๆว่ามีหมาล่าเนื้อวิ่งไล่เราเราเราวิ่งเร็วกว่าหมามันไล่ไม่ทันเัรนเจริญสติไว้อะไรๆก็สู้เจริญสติไม่ได้สิ่งใดที่ผิดไปแล้วห้ามเอามาคิดซ้ําไม่มีประโยชน์ที่จะคิดซ้ําให้อยู่กับปัจจุบันนะ ขอบคุณค่ะลูกพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างนั้นเมื่อกี้ใครยกไว้ออคนนี้คุณตรงบังคับแรงไปนิดนึงดูออกไหมทำไมต้องบังคับไม่เหนื่อยหรอนำมาสการหลวงพ่อค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาตรวจสวสธรรมสวาธรรมให้หน่อยนะคะหลวงพ่อก็เมตตาเยอะนะวันวันหนึง่ง <c oughs> หัดดูของเราสิเพราะว่าทุกวันนี้ที่ดูอยู่มันสับสนไปหมดเลยคะบางทีก็รู้ว่าฟุ้งบางทีก็รู้ว่าซึมรู้อยู่แล้วอะฟุ้งรู้ว่าฟุ้งซึมรู้ว่าซึมสับสนรู้ว่าสับสนก็รู้ไปอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้รู้รู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อให้หายฟุ้งไม่ใช่รู้เพื่อให้หายสับสนแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าความฟุ้งสั้นก็ไม่เที่ยงความสับสนก็ไม่เที่ยงสภาวะทั้งหลายเกิดระดับทั้งสิ้น ต้องการแค่นี้เองเพราะงั้นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไปก็เห็นเลยความฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแค่นี้แหละการปฏิบัติพระโสดาบันนะถึงจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ต้องเอาอะไรเยอะกว่าพระโสดาบันนะงั้นเอาแค่ว่าอะไรเกิดแล้วอันนั้นดับ <c oughs> เห็นไหมความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับความสงสัยเกิดแล้วก็ดับมีไหมไม่ดับไม่มีหรอกอ ขอถามหลวงพ่ออนิดนึงค่ะว่ากรณีที่ปกติเวลาที่เราเกิดสวสภาวะขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ดีก็เหมือนกับเราคิดขึ้นมาสอนตัวเองแต่เราไม่รู้ว่าจิตคิดหรือว่าตัวเองคิดถ้าถ้าจิตมันคิดนะัใจมันก็โปร่งโๆนะถ้าเราคิดมันก็เครียดเครีๆหน่อยขอการบ้านหลวงพ่อค่ะก็ไปล่าความเห็นผิดว่าจะเอาดีนะเอาแค่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปทั้งชีวิตเลย ส่วนมรรคผลนิพพานอะไรนั้นเป็นของแถมเป็นเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุเองหน้าที่ของเราก็ป้อนข้อมูลให้จิตมันดูไปดูกายดูใจเห็นแต่ไตรลักษณ์ดูไปพอจิตบรรู้ความจริงมันก็ไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็พ้นทุกข์ตรงนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกง่ายง่ายที่พูดนี่แหละแลต่ลงมือจริงนะฝป <c oughs> างตาย <c oughs> อาคุณสุเมธคุณสุเมธก่อนนะ อาเด็กเก่าก็ได้ใกล้ๆเดี๋ยวจะได้ไม่วกมาทางนี้ขอโอกาสค่ะหลวงพออ่อตื่นเต้นก็เดกันบานไปออกแล้วคะ่ะแล้วลืมไปแล้วเหรอเดี๋ยวค่ะหลวงพอ่อที่มันแน่นๆอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าไปกดมาหรือว่าไปกดมันไว้ <นะ S 1> กดเกินไปอะค่ะกดกดนิดเดียวก็เรียวกว่ากดมากไปแล้วเพราะไม่ก ด, กดเลยเพราะว่ามันแน่นมาประมาณอาทิตย์มันเป็นช่วงๆอะค่ะหลวงพ่อสังเกตที่ใจที่ไม่ชอบนะ โดยที่ใจเราไม่ชอบมันใจเราไม่ได้เป็นกลางกับมันนะใช่ค่ะให้ไปดูตรงที่ไม่เป็นกลางนั่นแหละใช่ไหมจับหลักให้แม่นนะหลวงพ่อพูดทุกวันเลยวันหลายๆรอบเมื่อรู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตไม่เป็นกลางจิตยินดียินร้ายขึ้นมาอะไรเงี้ยให้รู้ทันไปยังยังหรืยังปฏิบัติอยู่ใช่ป่ะคะหลวงพ่อปฏิบัติมากไปหมายถึงในรูปแบบหรือว่าอะไรอะะไม่ใช่ปฏิบัติแบบเคร่งเครียดไปเอาล่ะต้องรู้เล่นเล่นรู้สบายสบาย รู้สภาวะเขาทํางานไม่ใช่ไปทําแทนเขาอยากทําแทนเขาดูออกไหม <c oughs> อยากให้เขาดีอย่างงี้อยากให้เขาโล่งโล่งนั่นไปทําแทนเขาละไปทําอย่างนั้นยิ่งแน่นใหญ่อา้าวปุลสุเมศนวันสการครับหลวงพ่อครับอาทิตย์ที่แล้วมีโมหะดูออกไหมครับเออแล้วไงลุง มันรู้สึกว่ามันแรงไม่ค่อยมีด้วยครับมันเหมือนปัญหาตะกี้เนี้ยใครที่ไม่มีแรงเนีเบอร์หกครับต้องทําสมถะเพิ่มไหมครับอยากมีแรงไหมต้องรู้กิเลสก่อนนะครับถ้ายังอยากมีแรงอยู่แล้วก็ไปทําสมถะนี่ก็ทำด้วยความอยากก็ยิ่งไม่มีแรงยิไม่มีแรงยิ่งเหนื่อยเพราะว่าจะยิ่งไปเค้นจิตมากขึ้นนะถ้าทําจิตใจสบายสบายเห็นความอยากเกิดขึ้นความอยากดับไปใจสบายใจสบายใจก็สงบแล้ว วความสบายเป็นเหตุให้เกิดความสง บ, บในทางนู้นทั้งหลังก่อนใก ล, ล้ๆเดี๋ยวนู้นสีชมพูนะการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อคือนวันพฤหัสนะฮะก็นั่งวันนี้วันอะไร่ะวันนี้วันเสาร์คะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิอะค่ะก็เห็นจิตมันจะรวมแล้วลงไปก็ไปฝืนอพอฝืนว่าก็รู้สึกว่าปว ด, ปวดหัวปวดหัวสิค่ะ ก็เลยปล่อยพอปล่อยลงไปป๊อปสักพักหนึ่งเขาก็ขึ้นมาพ่าขึ้นมาน่ะสภาวะตอนนั้นก็เห็นชัดว่ามีกายส่วนกายจิตส่วนจิตนั่นแหละแล้วก็สักพักหนึ่งล้วก็รึกว่าสักพักคงจะออกแต่เขาเขาไม่ยอมอะค่ะเขาลงไปอีกรอบหนึ่งพอลงไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้เห็นว่ามีกายส่วนกายจิตส่วนจิตแล้วเวทนาอยู่ต่างหากอีกหนึ่งอะค่ะแล้วก็แล้วมีอีกรอบไหมมีค่ะ าวาไปพอขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ได้ยินเสียงว่าเกิดขึ้นเองในสภาวะนั้นเห็นความสงสัยว่าเสียงอะไรอแล้วก็อ๋อจิตมันพูดเองอะคะ่ะก็มันลงไปอีกรอบนึงอะคะ่ะตอนนี้พอลงไปตอนนี้ก็ ส, สงบอะคะ่ะก็เห็นเวทนากายรู้สึกกายเหมือนเป็นก้อนอยู่นะคะเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาเพราะจิตก็ไม่เจ็บ ไม่เห็นความเจ็บไม่ไม่เห็นความปวดค่ะแล้วพอขึ้นมาก็ก็สงบดีอะค่ะปฏิบัดีแล้วล่ะสิ่งที่ทํานี้จะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าถูกต้องไหมคะแล้วว่าถูกต้อ ง, องะน ะ, ะแต่ถ้าจิตรวมอย่าไปฝืนถ้าฟืนจะปวดหัวค่ะพอมันรวมไปนะถ้ามันทําเป็นสัมมาสมาธิจริงๆไม่ใช่ไปเพ่งจ้องแล้วก็เคลิ้มเคลิมพอใจมันขึ้นมาเนี่ยจิตมันตั้งมั่นมันจะเริ่มเห็นรูปนามแยกออกจากกัน เริ่มเดินปัญญา น, นี่จิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นก็เกิดปัญญาคปัญญาแรกเลยเห็นกายกับจิตเป็นคนละอนกันต่อมาก็เห็นเวทนากับกายก็โคนละนเวทนากับจิตก็กคนละอันต่อไปก็เห็นสังขารอีกนะคือกุศลอกุศลทั้งหลายก็อยู่ต่างหากอีกนะะอะไรๆก็อยู่ต่างหากจิตก็ เ, เกิดเกิดดับดับตัวเราไม่มีหรอกนั่นดูไปอย่างนั้นแหละแล้วมันจะรวมก็อย่าไปฝืนมันค่ะขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยสีชมพูเนี่ยยังจําได้นะนี่ขนาดแก่แล้วความจําไม่ค่อยมีวันวันนหะลวงพ่อไม่จําโยมนะพโยมไปแล้วใครมาถามว่าวันนี้ใครมาเนี่ยไม่รู้อะโยมเป็นสิ่งซึ่งหลวงพ่อไม่สนใจเลยไม่ได้มีความรู้สึกปูกพันอะไรสักนิดเลยนะนี่สารภาพเลยเห็นก็เมตานะสอนให้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทแต่ไม่ได้ปลุกพันด้วยหรอก แต่ถ้าไปภาวนาแล้วดีนะดีใจด้วยนะดีใจด้วยกราบนักการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติช่วงนี้ดูมันมั่วไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวโลภก็เยอะแยะโทสะก็ตามมาแล้วโมหะอีกแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวก็เฉยเหมือนก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยเจ้าค่ะแล้วขณะนี้ มันเหมือนว่างอยู่ตอนเช้ามารู้สึกไม่ค่อยสบายแต่พอสักครู่หนึ่งมานั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วฟังเขาส่งการบ้านแล้วมันเหมือนเฉยเฉยเลยไม่ทราบว่าตัวตอนนี้สภาวะตัวเองเนี่ยตอนนี้ใจมันก็รู้ตื่นขึ้นมานะแต่มันไปอยู่กับความเฉยเฉยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ไม่เฉยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะภาวนาได้ดีแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะ อ่ะร้อยยีทางนี้ก่อนก็ได้ไหนใจะได้เลิกกันไปสัทีเดียวนััฒศการหลวงพ่อครับเออพอดีวันวันก่อนนี้ผมอยู่อยู่ดีดีเนี่ยมันเกิดความสึกที่หลงพ่อเคยบอกว่าใจมันโล่งใจมันสบาย อ, อ, อ่แล้วช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับผมมันโล่งๆตลอดอแล้วมีวันนึงผมก็สังเกตว่าพอดีมีน้องสาวเขคุยกับผม แล้วผมก็บอกเขาว่าเออตอนนี้มันโล่งนะพอเขาคุยคุยไปสักพักพอมันมันมีบางเรื่องที่เราไปสะดุดเยมันก็เหมือนใจมันจะมีน้ำหนักนะครับแล้วมันก็เหมือนกับมันบีบๆเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเออทําไมพี่รู้สึกเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วพอสักพั ก, กนึงพอเรารู้มันก็โล่งเนี่ยครับคือไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่ผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็มีสิสามมาสมาธิครับมีนะแต่ตอนเนี้ใจไม่ตั้งมั่นตอนที่จะถามเนี่ยนะครับดูออกไหม ออใช้ได้นะ<อ>ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ดีแล้วครับเบอ <73. S 3> ร์เจ็ดสิบสามกราบนมัสการเตาว่วงก็รู้ไปกระดูกระดิกกราบนะมัสการหลวงพ่อคะ่ะตะกี้ตอนหลวงพ่อเรียกเบอร์ร2อยี่สิเอ็ดยากแย่งไม่เขาแต่นั่งข้างๆเห็นเขาได้ไม่อยากแย่งเขาเพราะกลัวจะไม่ได้ถามนะคะ ค่ะเขา้าก่อนหลวงพ่อให้ส่งกันบ้านให้ให้กันบ้านไปทมบอกว่าอย่าเฉยเกินไปแต่ทีนี้โดยโดยโยโมเองมีความรู้สึกว่าการบ้านของคนอื่นที่ส่งกับหลวงพ่อมันดูสนุกอะฮะของโยโมดูมันจืดจืดยังไงไ ม, ไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะจะเอาอะไร <laughs> <laughs> ทางใครทางมันสิ <laughs> <laughs> ดูมันจืดมากๆเลยค่ะ ห, ห, หลวงพโลกนี้มันจืดชืดโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกโลกนี้เป็นแกงจืดไม่ใช่ต้มยำหรอก เนะจิดๆไม่มีอะไรดูไปอย่างงั้นแหละรู้สึกไหมใจเราดีกว่าแต่ก่อนดูออกไหมล่ะดูออกนะใจเราตื่นขึ้นมาได้แล้วใจเราโปร่งโล่งเบาแล้วเวลาหลวงพ่อบอกกรรมาฐานให้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราไม่เอาอย่างคนอื่นนะพวกเราเราไปทําอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้สึกไหมมันตื่นขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยไปตรึงความรู้สึกมากไปแล้ว มีคําถามจะถามโยมจะถามหลวงพ่ออีกนิดหนึ่งตอนกลางคืนหลังจากที่เรากําลังจะล้มตัวลงนอนนะคะพอเราหลับตามีสติว่าเรากําลังจะนอนนอนแบบมีสตินะคะพอเราหลับตาเรายังเห็นภาพทุกอย่างในห้องเหมือนเดิมเห็นเหมือนลืมตาก็เลยไม่ทราบเป็นอย่างนี้ทุกคืนนะะหลวงพ่อก็ดีแล้วนี่ยไม่เปลืองไฟเห็นเป็นไรเลยเห็นชัดเหมือนไม่ดับไฟนะคะ ถ้าใจเรามีสมาธิบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะคนมองในที่มืดก็ได้นะมองทะลุแผ่นดินไปก็ได้ในเรื่องของสมาธนะิไม่สำคัญสำคัญคือเห็นกิเลสนะไปเห็นของในห้องก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นกิเลสดีที่สุดนะอาต่อไปใครยกมือไว้โอ้โยกกันเยอะนะจะทำยังไงดีเนี่ยเอาสิเอา เอาย่อๆกันแล้วกันเยอะนะค่ะจะสอบถามหลวงพ่อว่าอาการมันมีอาการเหมือนกับคล้ายๆขนลุกแต่ไม่ใช่ขนลุกอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นอาการของสมาธิหรือเปล่าอะค่ะเป็นนะของคุณยังเพ่งอยู่เพ่งนิดหน่อยนะแต่ว่าใจมันเริ่มทํางานแล้วเริ่มเคลื่อนไหวแล้วดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่าไปประคองให้นิ่งกันแล้วกันอ๋อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องย่อๆแล้วแบบหมอโรงพยาบาลแล้วอะ ค, คือมันว่างๆอะค่ะโล่งๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสภาวะเท่าไหร่ไม่เห็นหรอกนะใจมันไม่เข้ามาที่ตัวเองใจมันไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้ามันโล่งๆอยู่อย่างเงี้ยให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นรู้สึกไมหมจิตไหลไปอยู่ข้างนอกค่ะอ่างไปทำมานะแค่นั้นก็ทำกันนานละวันนี้ดูไม่ค่อยออกค่ะหลวงพ่อรู้ว่าดูไม่ออก <laughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหม ดูไม่ได้รู้ว่าดูไม่ได้อยากดูรู้ว่าอยากดูแค่นี้เองแค่ข้างหลังคนหนึ่งนะเราอย่างนี้ค่อยเร็วหน่อยอรู้สึกว่ารู้สึกตัวแต่ว่ามันไม่เห็นว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองอะคะ่ะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นปัญญาต้องเกิดทีหลังตอนนี้คอยรู้กายรู้ใจไปก่อนเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งค่อยเห็นว่าไม่ใช่เราหรอกกายนี้มันทํางานได้เองจิตมันทํางานได้เองดูออกไหมอย่างตอนนี้จิตไปคิด จิตมันไปคิดเองอเดูออกไหมดูไปเรื่อยนะแล้ววันหนึ่งก็เห็นหนึ่งคถามได้ไหมรู้สึกว่ามันคิดเยอะพอเหมือนไปตั้งใจว่าจะดูตัวเองแล้วจิตก็ปลุงใหญ่เลยคิดใหญ่เลยนนว่าผิดแล้วละ่ะถ้าตั้งใจจะดูตัวเองให้รู้ว่ากําลังตั้งใจอยูนะ่นี่รู้ตรงนี้เลยรู้ต้นตอมันนี่จิตจะไม่หลงฟุ้งซ่านไปปรุงอะไรหรอกเพราะฉันะ้นรู้จิตลงปัจจุบันไปนะเอามาทางด้านนี้บ้างเอาว่าไปช่วงหลังๆนี้เวลา ฟังเทปหลวงพ่อหรือว่าตามดูลมหายใจครับมันจะเหมือนจุกขึ้นมาที่คอเหมือนเพ่งนะครับอย่าจงใจสินะถ้าเมื่อไหรเราจงใจมันจะเป็นการบังคับตัวเองทันทีนะจะแน่นขึ้นมาบางคนก็แน่นหน้าอกบางคนจุกนี่บางคนขึ้นหัวแต่รู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นมาเองครับไม่ได้ไปตั้งใจให้มันเกิดครับอถ้ามันเกิดเองแล้วก็ตามดูมันไปเห็นว่ามันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอยากจะคอกันบ้านหลวงพ่อครับนี่แหละดูไปนะ ใจนี้ใจนี้เขาทํางานของเขาเองของคุณนะดูจิตไปจิตของคุณดูจิตได้ครับคุณเก็เห็นไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยเขาทํางานได้เองดูอย่างนี้ครับของคุณต้องดูอนัตตานะปัญญามันกล้าขเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าหน่อยข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมาเบอร์อะไรเบอร์สิบเกลุ่มใจมากแล้วอะว่าไงกลับหลวงพ่อค่ะ คือว่ามันก็ดูได้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะหนูเห็นอะไรมั่งอะก็เยอะแ ย, ย, ยะค่ะจำไม่ได้ที่ภาวนานอยู่ดีแล้วนะ <c oughs> อย่าทิ้งซะนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นสาวแล้วทิ้งไป <c oughs> ใครดูของเราไว้นะ <c oughs> ใครก็หลอกเราไม่ได้ไอ้หนุ่มคนไหนจะมาหลอกเราหนะ่หน่อยเห็นหน้ามันก็รู้ไส่แล้ว <c oughs> รู้เลยไส <c oughs> ่มันเป็นกดกด มันมันจะรู้สึกแบบว่าเออไม่รู้สิเอองเวงหรือว่าแบบเอออะไรอะเวงว้างอะไรประมาณเนี้ยอะไรนะมันจะรู้สึกเอองเวงไม่ก็เวงว้างอ่ะเออภาวนาดีนะเราก็รู้สึกโงงเวงเวงวางนะดูไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ใจเราไหลไปในความวงงเวงนันนะใจเราเป็นแค่คนดูความวงเวงอยู่ห่างๆใจเราดูถ้าไหลไปรวมกันเดี๋ยวเราจะไปติดความว่าง เห็นไมแสบไหมเด็กคนนี้ภ <c oughs> าวนาได้สะใจออามาเบอร์สิบเก้าส่งมาข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมใครว่าดูจิตยากเดี๋ยวหลวงกกพ่อจะหาเด็กมาสักทีมหนึ่งเอาเวทส่งกันบ้านคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าสมมติว่าคือพอมันมีความรู้สึกที่แบบว่ากังวลหรือว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมาค่ะคือก็มีความรู้สึกว่าเหมือนว่ารู้แต่ว่า มันไม่หายนีย่ไม่เรียกว่ า, ารู้หรือเปล่าไม่เรียกรู้หรอกเรียกว่าเกลียดมันอเรา<จ>ควรจะทำ <ใจ S 2> <ม>ยังไงใจเกลียดมันอยู่นะใจมีโทสะในขณะที่จิตมีโทสะเนี่ยไม่เรียกว่ารู้หรอกเพราะว่าไม่มีสติถ้ามีสติจะไม่มีโทสะงั้นรู้ไปว่าใจเราไม่ชอบพอความไม่ชอบดับไปนะรู้อย่างเป็นกลางใจมีสติขึ้นมารู้ไปและอย่างตอนนี้คือมีความรู้ว่าเ อ, อ พอนึกถึงเรื่องงานลักกังวลขึ้นมาว่าแบบเป็นเรื่องธรรมดาจิตมันกังวลจะไปห้ามมันไม่ได้นะก็ไปทํางานให้มันดีๆให้มันเสร็จๆแลจะได้ไม่ต้องกังวลค่ะข้างหลังข้างหลังทางนี้ไม่มีใครยกหรือหรือว่ายกแล้วไม่เห็นก็ไม่รู้กลับล้วเนื้อมัสการคะ่ะหลวงพ่อที่ผ่านมาก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าในประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย มันรู้สึกว่าจิตใจมันร่าเริงเกินไปอะค่ะกลางวันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคึกคักแล้วก็มีความสุขมากจนเกินไปอะค่ะแล้วก็พอตกเรีย็นกลับบ้านเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันโมว์มองนั่นแหละกลางวันมันสนไปแล้วมันหมดแรงแล้วมันจะต้องเบี่ยงกลับข้างเพราะมันฟุ้งซ่านไปซนมากไปนะก็ต้องซึมเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตมันเบี่ยงไปสนของมันเองอย่าไปว่ามันนะเห็นไหมมันสนของมันได้เอง เราตกเย็นมันก็ซึมของมันเองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ทํางานของเขาเองเราดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ดูเอาดีนะไม่ใช่ว่าห้ามห้ามโซนห้ามซึ ม, ซมไม่ใช่ค่ะแล้วที่ผ่านมาไม่ทราบว่าปฏิบัติน้อยไปหรือว่ายัางไงคะภาวนาได้ดีนะภาวนาได้ดีแล้วทําไปสม่ําเสมอก็แล้วกันจิตใจตอนนี้สบายกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วะใจมันถอดออกมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอ ข, ขอบพระคุณค่ะ อ่ะสีชมพูนั่นช่วงนี้เห็นการดับไปของความคิดมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะหลวงพ่อยิ่งแต่ก่อนนี่ถ้าเกิดว่ามันหลงไปคิดแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาเห็นกายเลยแต่มันเหมือนดูการดับไปไม่ทันนะคะแต่ช่วงนี้บางครั้งมันจะเห็นว่ามันเหมือนมันมันมาสลายเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็มันเหมือนกับว่าค่อยมารู้กายอีกทีนึงคือมันไม่ต่อกันเหมือนเดิมมาจากก็ดีแล้วนะสติมันเร็วขึ้น มีจิตที่มีสติอีกตัวหนึ่งไปเห็นความคิดดับค่ะมันเหมือนกับว่าพอเห็นบงับงบังจะเป็นบางครั้งเองนะคะที่จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราอะเวลาเราไปหลงคิดเราจะรู้สึกว่าจริงจังกับมันมากอะค่ะแต่พอเห็นอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่ต่างอะไรกับ กับความฝันนะคะอมันเหมือนกันแล้วก็บางครั้งมันก็เกิดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมีแค่ชั่วขณะนี้แปบเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเกิดความกลัวแทรกขึ้นมาอยู่แป๊บหนึงอะค่ะให้รู้ทันความกลัวไปนะค่ะเห็นได้ถูกต้องแล้วโลกนี้เป็นแค่ภาพลวงตาพระพุทธเจ้าสอนนะพิสูจ์ทั้งหลายโลกนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดเหมือนความฝันไม่ได้มีจริงมีแต่เหมือนไม่มีค่ะ แล้วก็สังเกตว่าความอยากหลายๆอย่างที่เราเคยติดใจเคยคิดว่ามันเป็นความสนุกความความสุขที่เราควรจะได้ค่ะรู้สึกว่ามันเบาลงไปมากเลยดีเราก็ไม่เป็นทาตมันไม่งันต้องเป็นทาตมันเหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าไอ้ความสุขที่เราเคยคิดว่าสุดแสนจะสุขมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปสัมผัสมันเหมือนเดิมมันกลายเป็นว่ามันใจมันบอกขึ้นมาว่าไอ้แค่นี้เองหรอที่เราเคยวิ่งหาค่ะใช่แล้วคนในโลกเนี่ยวิ่งหายของแค่นี้แหละเลยกัดกันตายกันเยอะแล้วเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลย ผู้มีปัญญานะเลยเห็นโลกตามความเป็นจริงใช้ก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือไป เ, เดี๋ยวก็หลุดพ้นไปอยู่เหนือโลกแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแทนที่ว่าเราจะถือแต่ก่อนเนี่ยถ้ามองชีวิตตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่น่าเบื่อค่ะแต่มันกลายเป็นว่ามันมีความมั่นคงแล้วก็มีความสงบอะไรบอกไม่ถูกอะะเกิด<ง>ธรรมะเี่ยนั่แหละเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งนะเรามั่นคงจิตใจเราสง บ, เ ร, สงบเราสงบสุขอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความแปรปรวนท่ามกลางความทุกข์นี่แหละ เห็นไหมเราเห็นแล้วโลกนี้ฝันอยู่ทั้งโลกเลยเชื่ออย่างที่หลวงพ่อบอกในโลกไม่มีคนตื่นฝันตลอดแหละค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหนูเพิ่มเติมไหมคะต้องอดทนนะอดทนไว้แล้วรู้ต่อไปด้วยความอดทนอย่าไปเปลี่ยนวิธีขอบพระคุณเจ้าค่ะมาทางนี้ทางนี้การมาสการหลวงพ่อครับช่วงนี้รู้สึกว่าจิตมันจะถอดออกมา อยู่ข้างนอกนิดนึ่งครับแล้วก็ เ, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนมีความสุขกับทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็อยู่ๆก็ไปรู้ว่าเฮ้ยเรามีความสุขแล้วก็จิตใจมันก็แฟบลงมาที่<อ>ให้อุเบกขาไงครับแล้วก็ช่วงก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยผมพ่อบอกว่าเพ่งปรากฏว่าผมก็กเอะใจมันทำไมมันถึงเพ่งจังเลยปรากฏว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็พอไปรักษาก็ก็ดีขึ้นมาอม แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังเพ่งอยู่หรือเปล่าครับไม่เคยเพ่งนะแต่ใจมันอยู่ข้างนอกนิดนึงครับมันไม่เข้าฐานครับวันนี้ไม่ค่อยดีวันนี้มันป่อปแป้งหนึงให้รู้ไปนะอย่าไปเกลียดมันป่อปแป้ก็รู้ป่ อ, ปอปแป้งน ะ, ละหลวงพ่อครับอีกคําถามนะครับทำไมช่วงนี้ผมนั่งสมาธิคือจะทำให้ใจสงบเนี่ยไม่เคยได้เลยครับเมื่อจิตมันเดินบัญญาเป็นแล้วมันไม่ค่อยยอมสงบนานหรอกมันสงบแวบๆมันรู้ว่าเสียเวลาอ๋อครับแต่ว่าถ้ามันไม่ยอมสงบเลยต้องฝืนใจมันนะ ทำสมาธิไปคือเหมือนก็มันฝืนไงมันเข้าไม่ได้เลยไม่ไม่เข้าก็ช่างมันตอนนี้แต่ว่ากําลังมันเริ่มตกไปนิดนึงครับผมครับอ้าวอุทยยลงมาบ้านกายาครับอ้าวว่าการการน้ำมัทกาหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความคิดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เป็นโรคกระเพาะคุณเพ่งแรงไปนิดนึงอย่าไปเพ่งอย่าไปทําอะไร รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตอย่างที่เขาเป็นไม่ทําอะไรนะเอาว่าไปครับผมก็ไปดูความคิดก็รู้เร็วบ้างรู้ช้าบ้างครับผมไม่ทราบว่าได้ได้ไดรู้รู้อะไรนะรู้ความคิดดูความคิดครับผม อ, อ่าทีนี้ก็ดูดูได้ช้าบ้างได้เร็วบ้างออืก็ก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็รู้สึกไม่จิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับนั่นแหละภาวนาไปะครับผม ไม่ไม่ได้คือความอยากในภาวนาน้อยลงไปใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่น้อยหรอกอย่างตอนนี้ยังเกระเยนกระหืออยากภาวนาอยู่เลยครับผมอุทัยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวมาข้างหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปข้างหลังเลยมิสการครับหลวงพ่อมิสกูมิสกูก็ฟุ้งกว่านี้พอหลวงพ่อเรียกชื่อก็มันก็ลงขึ้นมาทีนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีกําลังฮะรู้สึกว่า จมลงไปกับสภาวะเยอะเวลาจะกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี่มันใช้เวลานานในการถอนขึ้นมาดูสภาวะครับวุตใจก็ต้องทําในรูปแบบบ้างนะครับเพราะมันคลุกกระโลกคลุกกระงานมากมันไม่ค่อยมีแรงครับนะทําในรูปแบบมันช่วยเพิ่มแรงให้เราเ อ, อคราวที่แล้วที่หลวงพ่อแนะนําว่าคนที่จะเพิ่มคือเพิ่มจํานวนที่ทํารูปแบบเนี่ยฮะหลวงพ่อมันต้องเพิ่มมากน้อยขนาดไหนฮะ ก็ต้องเพิ่มแหละไม่รู้จะบอกยังไงมากแค่ไหนก็ไปดูเอาเองสิอยาให้ซึมก็แล้วกันแต่ตอนนี้แรงมันไม่ค่อยพอครับอ้าวชัดน้มัสการครับแน่นครับแล้วไงก็มีโมหะครับซึมนิดใช้ได้แล้วที่ภาวนาไปดูเอาอ้าวรัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บทางนี้ก่อนเดี๋ยวข้าไปข้างหลังแ มันค่อยเลื่อนเลื่อนลอยลอยวะเออรู้สึกไหมมันเลื่อนเลื่อนลอยลอยใจไม่ตั้งมั่นนะใจไม่สงบพอ<ม>รู้สึกไหมเนี่ยใจฟุ้งซ่านดิ้นกรุบขับขู่ครับตอนนี้มันจุกข้างในตื่นเต้นด้วยนะดูมันดิ้นไปเห็นรู้สึกไหมมันจะคล่ำครวน <c oughs> อาว่าไปมันเห็น มันแยกแยกกันอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับมันมันแยกแบบไม่มีแรงใช่ค่ะมันไม่มีแรงมันแยกแล้วมันก็เลยลอยแยกอย่างนี้ไม่ไม่มีแรงใช้อยังไม่ได้นะแต่ก็ดีกว่าไปรวมกันวิธีมีแรงก็มันนั่งใกล้ๆนี่เดี๋ยวก็มีแรงเอาตาใจที่เคล้าก็ทํามาเรื่อยๆเข้าห้องแชทน้อยๆแล้วก็ดูให้เยอะๆเดี๋ยวมมีแรงเองอ่ะเนี่ยมนทีมห้องแชทเนี่ยไม่ค่อยมีแรงละทุกคนอ่ะ ช่วงนี้ก็หนื่อยๆกับลงไปคิดบ่อยๆแล้วก็รู้สึกบางทีก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างค่ะก็พยายามขยันดูบ่อยๆอะค่ะยังไม่ธรรมดานะแต่ว่าดีขึ้นละค่ะเอาไปคุณทางนี้โชคชัยคุณนี่เราค่อย ไ, ไปข้างหลังละกราบนรมสการหลวงพ่อครับยกมือให้ลูกเพื่อนครับ เขาทำงานที่อเมริกาแล้วดูจากเน็ตแล้วก็เขาก็ถามทางถามทางมาที่นี่ครับเบอร์สี่ครับยกมือเลยครับฮาไปโน่นเลยเหรอครับงั้นเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันเอาตรงนี้ก่อนเอส่งไปข้างหลังข้างหลังนะครับอนั่นแหละค่ะนำมัสกัค่ะหลวงพ่อพอดีเมื่อเช้าเห็นตัวกังวลนะคะก็เลยมีตัวสงสัยนิดนึงพอดีขับรถมา รีบอะค่ะก็คุณหมาเธอขวางทางอะค่ะแล้วมันก็เกิดสติหักหลบอะค่ะก็สงสัยว่าไอ้สติอย่างเนี้ยเขาเรียกสติที่เรารู้หรือว่าเป็นสติทางโลกอะค่ะหลวงพ่อสติทางโลกนะสติทางโลกใช่ไหมคะถ้าสติทางธรรมก็เห็นแต่รูปไม่เห็นหมาก็ชนตีอะไม่ชนเหล่ามันรู้ว่าควรจะไม่ชนแต่ระวังนะหักหลบอะอย่าให้ลดความซักก่อน ทีนี้มีอีกมีอีกกรณีหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อจะเห็นตัวมานะบ่อยอะค่ะทีนี้มานะในกรณีนี้คือเราอยู่ในสังคมโลกที่ทํางานอยู่เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เราสัญญาเรามันไม่เที่ยงเราจําไม่ได้ในเรื่องของตัวภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชอบไปถามคนอื่นเขาเขาก็จะพูดใส่เข้ามาว่าจะไปถามคนอื่นเขานะแบบเนี้ยอายเขาเราก็บอกว่าเราเราก็สัญญาไม่เที่ยง เราก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยสงสัยว่าไอ้อย่างเงี้ยเราดูเราก็รู้ว่าว่ามันมันมันดูแล้วไม่ขาดอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่ามันก็รู้รู้สบายๆแต่มันก็ยังไม่ขาดอย่างเงี้ยก็ ด, ดูได้แค่นี้นะคะหลวงพ่อมันเจ็บ<อ>ใจหรือเปล่า เจ็บใจก็ดูไม่ทันนะคะแต่จริงๆตอนที่เขากระทบก็ไม่ได้เจ็บใจแต่เรามีความรู้สึกว่าก็เราอยากจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าก็เราได้เท่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่เข้าใจคําว่ามานะเนี่ยค่ะหลวงพ่อไม่มาน ะ, นะเป็นความถือตัวนะถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเ้าดีกว่าเราอะไรเงี้ยถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อะไรขึ้นมาอย่างเราเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย เอย้ยสนใจอะไรเรื่องอย่างนี้น ะ, ะไม่เห็นมีอะไรดูไปดูไปใช่ไหช่นนีดูไปนะขอบคุณค่ะเอาไปเบอร์สามอะไรเบอร์นี้ น, นีทางนี้ก่นอนยกไว้กลุ่มนี้ยกไว้นมส ก, กาลหลวงพ่อครับส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามตามรู้ตามดูนะครับแต่ก็ตอนนี้มันจะเห็นตัวใหม่ขึ้นมาคือตัวมานะอัตตาก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําไม่ทราบที่ทําอยู่นี่ ถูกต้องครับดูไปเรื่อยๆนะเราอย่าไปบังคับมันนะอย่าไปบังคับมันเอาจิตจ่อยไปแล้วไปดูมันเข้านะดู <laughs> <laughs> หลวงพ่อไม่ตอบให้เลยจ่อยไปเลยเราเราจะรู้ได้ไงว่าเราบังคับอยู่ครับหลวงพ่อถ้าเมื่ อ, อไรใจเครียดเครียดแข็งแข็งนะบังคับไบนะถ้ารู้แล้วโปร่งโล่ ง, ลงเบาสบายสบาย ก็ใช้ได้แต่ที่ทําอยู่นี้ถูกใช่ไหมครับบังคับแรงไปนีดบังคับแรงใช่ไหมครับก็ปล่อยสบายๆไปเอปล่อยสบายแต่ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะครับขยันดูอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวรู้เล่นๆรู้สบายๆไปครับคลัวคัวมันจะหลงอ่ะหลวงพ่ออย่ากลัวเลยยังไงก็หลงเพราะว่าจิตเรายังต้องหลงอยู่ครับนะเอาไปน้าไปเอาข้างหลังอยู่ที่เสานั้นกลาบน้ำมศการหลงพ่อครับตอนนี้มันฟุ้งๆอ่ะครับ มันกระจายมากมันตอนนี้มันติดตุ๊กตาครับเล่นตุ๊กตาทุกวันเลยแล้วมันเล่นตุ๊กตาตอนนี้ติดตุ๊กตาครับมันแล้วคือเรารู้ว่ามันหลงอะครับแล้วเราก็รับรู้มันแต่เราก็พยายามรับรู้ได้เป็นกลางแต่พอเราก็เลยไม่ได้ห้ามความหลงเนี้ยครับพอเราไม่ห้ามมันก็เลยยิ่งกลืนเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแรงเราเราก็ตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแรงมันจะตกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างนะครับทําในรูปแบบไว้ทําทุกเช้าแต่หลังๆก็ไม่ลงครับมันฟุ้งมากแลนวฟุ้งอย่าไปเล่นอะไรมากสินะมีวินัยไปเลยใช่ไหมคะเออมีวินัยในตัวเองหน่อยคอยรู้เอาถ้าเล่นอะไรแล้วใจฟุ้งซ่านอย่าไปยุ่งกับมันมากอ๋อครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปทางน้นกัดนะอของคุณจะถามเลยอ้าว่าไปนรัตการหลวงพ่อค่ะเออก็ ครั้งนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะกังวลเรื่องสุขภาพตัวเองก็มีกังวลอยู่มากเหมือนกันนะคะสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองกังวลแล้วก็นั่งดูความกังวลไปนะคะตรงนั้นก็ก็ยังกังวลอยู่แต่ว่าที่คุณอ น, นานะ<ๆ>ใช้ได้แล้วนะมีหน้าที่ดูให้พอท่านะดูไปเรื่อยๆที่ทาอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วละ่นะ ออมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมนยแน่นนแล้วนะไปดูอีกขอบพระคุณทำนา<ะ>ถูกแล้วทางนี้ก่อนนะทางนี้เอามาไปทางนี้เลยคุณที่ใส่แว่นตานั่นแหละนั่นแหล ะ, เ, ะเมื่อเดือนที่แล้วนี่หลวงพ่อบอกว่าดูจริงจังเกินไปครนี้พอกลับไปเนี่ยก็ทิ้งคือปล่อยเลยแต่ก็ยังทำในรูปแบบอยู่ครนี้เนี่ยมันไปเห็นว่าตัวเองคือ ความตอนที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยคือเวทนากายแล้วก็จิตเนี่ยมันคือมันทำงานแยกกันอยู่ mm hmm. แล้วดูดูไปเนี่ยมันก็คือเราไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็ได้แต่ผู้ดูเท่านั้นเองอะคะ่ะ mm hmm. ตอนนี้ก็แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือพอเราคิดว่าเราหลงไปปุ๊บอาการเมือพอเรามีสติทันปุ๊บมันก็ดับวาบแล้วมันก็ เป็นอย่างนี้คือเราก็หลงใหม่แล้วก็สติทันก็ดับวาบอย่างนี้ไปไเรื่อยๆค่ะพอดีแล้วเห็นไหมจิตจะหลงห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกสั่งไม่ได้รู้สึกแล้วก็หลงใหม่รักษาความรู้สึกไว้ไม่ได้สภาวะทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนะดีแล้วนี่เดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวๆทางนี้นิดเดี่เดี๋ยวค่อ ย, ลยไล่ไปเป็นลำดับหนะ่อยเพราหลวงพ่อจําไม่ได้อาไปทางนี้ไปไปอีกไปอีกกล่าวณัฐการหลวงพ่อคะ่ะ ตอนนี้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นตัวเองเลยว่าตัวเองลงคิดบ่อยขึ้น<ม>อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะปฏิบัติตามรูปแบบปุ๊บเนี่ยตัวเองเนี่ยจะสร้างหมู่กระดาษขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็จะไปเพ่งแล้วก็ไปจ้องไว้ก็เมื่อพอเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บก็จะพยายามที่จะมองอรับรู้มันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางไป ก็จะรู้เฉยๆนะไม่ต้องแก้ไขค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมองดูอย่างสบายๆมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกไหมคะปฏิบัติถูกแล้วนะไปทําอีกขอบคุณค่ะคือหลักของการปฏิบัติเขั้นแรกเลยต้องฟังให้รู้เรื่องให้รู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องคือกายเป็นยังไงรู้ไปจิตเป็นยังไงรู้ไปพารู้เป็นแล้วเนี่ยต้องรู้บ่อยๆ ทำเนืองๆ น, นะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ร, รู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างแต่ไม่เลิอกอ่ะนะเอาไปไปส่งไปคนที่มาจากต่างประเทศเลยนะเอานมัส ก, การหลวงพ่อครับผมโหลดซีดีหลวงพ่อมาฟังได้ประมาณห้าเดือนแล้วลองปฏิบัติดูไม่ทราบว่าตอนนี้รู้ถึงฐานหรือเปล่าครับ <laughs> ตอนนี้เหรอจิตมันตื่นเต้นหรอออกไหม ถ้าขณะที่ตื่นเต้นอยู่มันจะไม่ถึงฐานนะอย่าไปกดมันนะแต่ที่ฝึกอยู่น่ะใช้ได้ละเห็นกิเลสบ่อยแล้วใช่ไหมเห็นครับแต่บางทีก็แพ้มันนะครับเราไม่ได้ฝึกเอาชนะกิเลสเราฝึกให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยเป็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะอย่าตั้งเป้าฝึกเพื่อจะเอาชนะนะอย่างบางคนไปนั่งสมาธิกาจะนั่งโต้รุ่งจะเอาชนะเวทนาอะไรเงี้ย เราไม่ได้มุ่งเอาชนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อเอาชนะนะจะชนะกิเลสจะชนะเวทนาเนี่ยยิ่งส่งเสริมมานาอัตตาให้มากขึ้นไปอีกนั่นเราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยกิเลสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้นะไม่เอาชนะหรอกเราบางทีนั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหวๆที่กลางอกอันนั้นเป็น อ, อ, อันนั้นแหะจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าเราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นแต่ตรงที่เห็นไหวๆที่กลางอกเนี่ยอย่าส่งจิตถลมลงไปจ้องนะ ดูอยู่ห่างๆดูเหมือนเห็นกิเลสตัวอื่นๆนั่นแหละอยากกระโจนลงไปใส่มันครับผมขอบคุณครับดีภาวนาดีมาทรงมากคุณเสื้อเหลืองข้างหน้าหน่อยหนึ่งกลุ่มนี้เห็นแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆทานวันนี้ก็ตอนนี้ตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้มีความฟุ้งซ่านอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นบอกว่าตูตัวใหญ่แล้วนะคะคุณโนตเขาใหญ่กว่า วันนี้ก็ฟุ้งซ่านสลับกับตั้งมั่นเป็นพักๆนะคะเมื่อกี้เห็นเด็กน่ารักส่งกันบ้านก็นึกถึงลูก<ม>ขอโอกาสหลวงพ่อช่วยแนะนำแนวทางฝึกสติสำหรับเด็กให้ด้วยอะคะ่ะของเด็กเหรอก็ให้เขาดูความรู้สึกของเขาไปแต่อย่าไปห้ามเขาน ะ, ะอย่างเขาจะกินไอติมว่บอกรู้ไหมว่าอยากอะไรเนะี่ยถ้าเขารู้แล้วก็ให้กินได้ อยากดูการ์ตูนรูไ้ไหมว่าอยากเนี่ยถ้าเห็นหน้าให้ให้ดูได้ไม่ห้ามหรอกคือตอนนี้ที่บ้านก็ใช้เรียนรู้แบบธรรมชาติค่ะ<ม>เปิดซีดีหลวงพ่อนั่นแหละดีที่สุดเลยแล้วละวันวันหนึ่งเด็กมีชี้แม่ลงไปแล้วโดนมาไหลบ้านแล้วนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะดีนะฝึกไปทางด้านนี้นะทางนี้สีเหลืองๆนะแล้วเดี๋ยวจะวกกลับมาทางนี้ละ นมาสการหลวงพ่อนะครับพอดีตอนนั่งสมาธินะครับแล้วก็กำลังเราก็มันกำลังจะนอนแล้วก็ทําสมาธิต่อครับอยู่อยู่ดีก็เหมือนเข้าประวังครับมีจิตโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนกิเลสมันหลุดออกไปแล้วก็รู้สึกสว่างสว่างแล้วก็หายไปครับนี้มันคืออะไรครับผมคืออะไรก็ช่างมันน้ามันเกิดแล้วมันดับไปทั้งหมดแหละดูไปเรื่อยกิเลสอะไรยังเหลืออยู่นะก็ต้องสู้กันไปอีกดูไปอีกนะยังไม่หมดกิเลสก็ดูไป ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็นั่งนอยู่อยู่ดีก็เห็นร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายครับจิตเป็นเจ้ามานั่นแหละดีนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะเวทนาสัญญาสังขารอะไรก็แยกกันหมดนะแล้วจิตเองก็เกิดเกิดดับดับไปด้วยนะดูออกไหมจิตเกิดดับครับดีนะที่คุณภาวนาใช้ได้ละครับผ ม, ผมาาครับภาวนาไปนะอดทนนะกว่าจะข้ามพข้ามชาติคนหนึ่งคนหนึต้องทนมากๆเลย กราบนมาสักการหลวงพ่อค่ะเออฟังซีดีหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นอะนะคะไม่รวมตอนนี้นะคะหลวงพ่อไม่รวมหลวไม่ทราบว่าที่หนูเห็นมันแวบๆอยู่เห็นถูกนะถูกแล้วใช่ไหมคะแต่นิสัยเราใจมันชอบฟุ้งซ่านจะเห็นฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นมันเผลอคิดอย่างนี้ครับนั่นแหละคยรู้ตัวนี้บ่อยๆนะแล้วใจเราชอบฟุ้งค่ะแล้วไม่ทราบว่าพอมันรู้เสร็จมันจะบอกเผลอไปแล้วนะอย่างเนี้ ไม่เป็นไรใช่ไหมคไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปว่ามันนะค่ะอย่าไปช่วยมันคิดถ้าจิตมันคิดเองไม่เป็นไรอย่างนี้คือมันคิดเองใช่ไหมคะค่ะกลับนมาสการขอบคุณค่ะอ้าวมาทางด้านนี้อ้าวคุณผู้ชายนั่นแหละโน้นข้างหลังหน่อยหนึ่งใจเย็นๆนะกลุ่มนี้กลับน้ำน้ำสการหลวงพ่อครับอ่าพิ่งได้รับไ a i l ครั้งแรกขอกันบ้านเลยครับเอางั้นเลยเหรออย่าติดเพ่งนะครับอย่าไปเพ่งเอารู้เอาสบายสบาย ปล่อยให้จิตมันทํางานปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติแล้วตามดูมันไปเรื่อยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเก่าที่ทําอยู่เพ่งแรงไปเอามาทางนี้เมื่อ72เอายกไว้ยกไว้กราบในมรดงพ่อค่ะส่งการบ้านนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนหลวงพ่อให้หนูดูโทสะค่ะให้ดูอะไรนะโทสะก็ มันเยอะอะค่ะหลวงพ่ออเยอะแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดโทสะแล้วเราทำริดทําเดชตามมันเราก็จะเหนื่อยมากใช่ใช่ก็หลังๆนี้แท้เข้าไปกระทบมันแรงๆมันจะปี๊ดขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็จะตกลงมาเลยเออสมน้ําหน้ามันแล้วก็รู้สึกดูโทสะมากๆแล้วมันเหนื่อยอะค่ะหลังๆนี้พอมันโมโหมันก็เลยไม่อยากจะทําอะไรกับมันมันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะดูมันไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นเลยมันเกิดขึ้นทีไรมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ตัวสมันก็ค่อยอ่อนแรงอ่อนแรงลงไปค่ะแล้หลังๆเนี้ค่ะอย่างแท่นหนูตกใจนี่มันก็เข้าไปในใจเลยนะคะใจใ<ช>หายก็อยู่ที่ใจนั่นแหละถูกต้องแล้วตื่นเต้นก็อยู่ที่ใจเห็นไหมตกใจดีใจเสียใจเห็นไหมสุขใจทุกใจมันจริงๆเลยเห็นไหมอยู่ที่ใจแต่พอทุกตอนนี้ทุกมันอยู่ข้างนอกนี่เป็นไรไหมคะอะไรนะพอตอนทุกอะค่ะทุกมันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ที่ใจนี่เป็นไรไหมคะไม่เป็นสิก็ดีแล้วอะ อ๋ออย่างนี้ถูกแล้วนะคะเออถูกแต่ถ้ามันเข้ามาที่ใจก็ไม่ว่ามันอ๋อค่ะเพราะเราไม่หวงใจแล้วอย่างกิเลสตัวที่เราไม่เคยชอบมันอย่างนี้ค่ะมันก็ยังอยู่ครบท้วนพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะเจ็บใจเจ็บใจเสร็จก็เออช่างมันเถอะถ้าลงไปสู้กับมันก็ตายอีกใช่ก็ปล่อยมันอย่างนี้แต่มันก็ยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะเออมันอยู่นะแต่เราไม่ยุ่งกับมันอย่างนี้ก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะคะใช่ กิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสสิจิตก็อยู่ส่วนจิตต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันเจาค่ะขอบพระคุณเจ้า่ะมาทางนี้ทีมนี้ยกเก่งเหลือเกินยกเหนียวแน่นเออเจ้าค่ะเอ่านผู้ชานผู้่า่นผู้ชานผชมท่้ชมทน่นน้ท่าน หลวงพ่อต้องหาล่ำหลายหลายภาษาตอนนี้มีญี่ปุ่นมีฝรั่งยังขาดล่มจีนน้องคุณธนาเวลปาปานามานะเป็นล่มจีนอเอ่อเอ่อ我的问题是他准备好了吗？先我的问题是我是一个很忙碌的老师。 呃，我没有办法决定，我应该是在，一般很忙碌的生活里面修行呢，还是赶快，把从工作上退休来，比较完整的时间来修行。他ขาบอกว่าเเป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็สอนอยู่ในเป็นอาจารย์สอนนครับแล้วก็อยู่ในสังคมรู้สึกว่าวุ่นวายอยากถามอาจารย์ว่าจะใช้จะทำยังไงว่าหรือว่าจะ ใใคล้ายว่าปลดเกษียณออกมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวหรือว่าจะใช้ชีวิตในการเป็นครูแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยครับก็<ค><ณ>อยู่ตรงไหนนะก็ต้องปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะอ่าท่นนนา น, ใ น, ใ น, นอาจารย์พูดว่าถ้าเมืเ่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไะ ถ้าใจเราไม่ปฏิเสธเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์ถายู่แวล่าเม่ต่อ้านงเดขึ้นในชีวิตเราไม่ทุกตอนนี้ที่ทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่ยอมรับสภาพไม่ยอมรับสิ่งที่ต้องเป็นเนี่ยเพรมมติว่าตรงนี้ไม่ยอมรับ ออกไปปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวไปเจอสภาพแวดล้อมนั้นไม่ยอมรับอีกก็ทุขอีกแล้ายกไปทุกัี้อกสิ่งที่ดีก็ลม่ต้องกั้องไปทุก你์กับสิ่งที่ดีก็ไม ั้น<音>ก็อยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องคิดไปเผื่อนักคทษนะรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ยึดถืออะไรอยู่กับปัจจุบัน也知道在在那个当下也经常那有那个自觉在当下好龙波我我是一位大学退休的教授<啊>那我一个问题还是请问龙波开示就是有些事情我们该管来来有些我们不管<音>好不好 เขาบอกว่าเขาเป็นย์เป็นอาจารย์มหาลัยสอนอยู่เป็นเอ่าเป็นอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งเกษียณออกมาก็เลยว่าอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาครับขีอ่ะคือไม่หรือายงไน้ เขาบอกว่าถ้าทํำยังไงจิต ท, ที่บางทีก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นกับจะจะหรือว่าไม่ช่วยเหลือคนอื่นจะจะต้องตัดสินใจยังไงเมื่อกับว่าเราเรามีจิตเหมือนกับเป็นโพธิสัตว์อย่างนันใช่ไหมครับคือหน้าที่หลักของเรานะตัวเองต้องพ้นทุกข์ก่อนนีแล้วก็ช่วยคนอื่นมันเหมือนเราต้องว่ายน้ําเป็นนะเพื่ไปช่วยคนอื่นที่ตกน้ําได้师父说也是我们我们先 先解决我们的问题，然后才能帮助别人的。但话，如 果, 如 果, 如果 有, 有机会可以帮的话，我们就帮，就是这样。好，请问师父，如何突破自我，不被外境迷惑？他我：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， พาาหลงเข้ไปจะ <ใน S 2> ทํา <ำ S 1> ลายอะไรนะครับทําลายตัวอัตตาของเราตรงนี้อ๋ออัตตาไม่มีจริงนะสือฟู่ซัวในกึ่งจิต我不存不存在的คือแค่คอยรู้สึกอยู่ในกายนะรู้สึกอยู่ในจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปได้เราจะเห็นในยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอัตตาไม่มีนะสือฟูซัว只有我们直觉在我们的那个 身身体里面还有我们的身我们的心里面，其实那个我们的那个自我，其实它不存在。那那那个自我，其实它从那个念头起出来的。可是它没融入在那个我们的妄想的话，我们只有在我们的知觉。 那那我们就没有那个那个自我的。那要多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多，多， 去打忘想的话，我们就忘记我们的身跟心。啊， 还, 还有吗？啊，还未没停呢。<笑><啊><笑>马来马来。台湾<好>。可以可以直接问 ，OK。静静。我之之前是喜欢持咒、静坐跟观呼吸，那现在学的你们这南传的动中禅，那我不知道怎么样，哪一种比较契机比较适合我？因为动中禅，我觉得。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 เขาเขาควรจะทำยังไงเกี่ยวกับตัวนี้ครับคือตัวสำคัญนะคือต้องมีสติรู้สึกตัวไว้ฉั้นถ้าเราเคยหายใจนะเราก็หายใจไปแต่เรารู้ทันจิตไปเรื่อยเเช่นจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งเราก็รู้ทันสื่อกว่าคือเราต้องรู้จิตรู้ใจเราต้องรู้จิตรู้ใจเราต้ 没有什么区别，就是这样子。他，就是像在ขยับ，呐，在ขยับมือ或者รู้ลมใจเมันเหมือนกัน。如如果你动手的话，你那个移那个移动的手，还是你管那个呼吸，都是一样的，没有什么区别。就重点呢，要能看透我们的心灵。最最重要就是我们就能看见，还是能看破那个看破我们的身心。 我我是从台湾来的，我请教师父。好。我们在静坐的时候，用感受来观察身上的无常变化。那我们要如何体验出这个过程是苦呢？谢谢。哦，เบอกว่าแต่ก่อนนี่เขาทำเหมือนกับสายของอาจารย์โกเอนก้านนะครับคือดูเวทนาไปเรื่อยๆ然ล้วว่าจะทำยังไงต่อคือถ้าดูเวทนาเนี่ยนต้องพยายามแยกออกไป ต้องมีความรู้สึกนะมีใจตั้งมั่นก่อนสิ 师, 师父说第一就是如果你看观观那个受的话你的心先先提起来เแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่ง然后就就能见到我们的心住在一边还有我们的身也住在一边เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่ง就是看啊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 เรื่อยๆเนืองๆนตามคำสอ น, สอนของหลวงพ่อภาวนา ม, มาเรื่อยนะครับก็มีฉันทะในการปฏิบัติ ย, ยกไม่ ย, ยกไม่อย่างเนี้ยก็มีฉันทะในการปฏิบัติมาเรื่อย ๆ, ๆนะครับแต่ก็ไม่บางครั้งก็มีตัณหาอยากจะให้ปฏิบัติ ด, ดีบางครั้งก็คิดว่าอ๋อนั่นเป็นฉันทะไปเรื่อยๆจะดีกว่าตามที่หลวงพ่อสอนนะครับทีนี้ผมคิดว่าในบ้านปลายของชีวิตของผมนะครับก็ อ, อยากจะอุทิศให้พระพุทธศาสนา อยากจำบวชแต่ก่อนนี้คิดจะบวกก็นึกว่าจะบวชในแต่ในวัดป่าเพื่อจะได้มีที่วิเวกสงบเพื่อจะปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าแต่มาระยะหลังนี้เมื่อได้พอนาะในตามแนวทางของหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าจำบวชในในิกายไหนก็คิดว่าไม่สําคัญนะครับทีนี้ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าหาคําปรึกษาว่าผมมีอุปนิสัยในการบวชหรือเปล่านะครับหลวงพ่อมีนะจะบวชก็ได้นะแต่บวชอยู่ในเมืองแหละ นะครับอืมแล้วก็ภาวนาไปแบบเจ้าคุณหนอครับเสร็จแล้วจะได้ช่วยสอนคนอื่นต่อมีขนาดนั้นเลยครับหลวงพ่อเออนะจะได้ไปทำประโยชน์แล้วแล้วปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อเหมือนกับเจ้าคุณนอป่ะนะครับเอ๊เจ้าคุณนอท่านทําไงหลวงพ่อไม่ไม่ได้สัมผัสท่านเห็นเห็นบอกว่าดูของโครงกระดูกนะฮะเห็นความอนิจจังทุกขังเหมือนกันนะครับดูดูกระดูกจะเป็นสมถะ อ๋อครับแต่หลวงพ่อไม่รู้ว่าท่านเจริญวิปั ส, สนาอย่างไงท่านทําวิปั ส, สนาแน่นอนครับผมเจ้าคุณนนนี่ท่านรุ่นพี่หลวงพ่ออีกทีหึงอ๋อครับท่านรัตศาสตร์จุฬารุ่นดึกดําบันรดุนหนึ่งเลยครับก็อีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับพันธะของทางครอบครัวนี่เมื่อก่อนนี่เคยเป็นห่วงมากแต่ภาคหลังนี้คิดว่า เรื่องกรรมของใครของเขาแล้วที่จะต้องรับผิดชอบไปอันนี้ไม่ส่าจะเป็นเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นถูกต้องตามธรรมะนะครับคือเราก็ต้องดูให้เขาอยู่ได้ก็ผม อ, อย่างมีพระองค์หนึ่งนะตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านไปเข้าวัดป่าไปฟังครูบาอาจารย์สอนอนะไรเงี้ยท่านชอบท่านเป็นนักธุรกิจพอกลับบ้านนะท่านเริ่มสอนเมียทาธุรกิจค่อยๆถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้นะ แล้วก็ชวนมาทำงานในที่สุดทำงานแทนท่านแล้ว ท, ท่านก็เลยออกมาบวชอ๋อ oh, ครับคือเราเราไม่ผลักภาระของเราทิ้งครับผมถ้าเราทิ้งภาระตอนนี้ปั๊บเนี่ยนะใจเราภาวนายากมันกงนังวลอย่างหลวงพ่อนะกว่าจะบวชอายุสี่สิบแปดที่อายุมากเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หมดภาระที่จะต้องดูแลพ่อแม่แนละ้วถึงได้บวช นี่ตอนมาบวชนะเราโล่งเลยใจเราโล่งเลยไม่มีพันธะแล้วแต่ถ้ายังบวชแล้วยึกยักยึกยักห่วงหน้าห่วงหลังนะลําบากภาวนายากครับผมแต่ผมอายุตอนนี้ก็62แล้วหลวงพ่อทีนี้เกี่ยวเรื่องภาร ะ, ะก็คิดว่าเป็นกึ่งๆึนะครับหลวงพ่ออ๋งั้นก็กเกษียณได้แล้วหกสบขอบพระคุณก็หลวงพ่อครับขอบพระคุณครับนุ่สกันครับหลวงพ่อจะชี้ใครดีล่ะยกเยอะแยะลอยพร้อมๆกันนะ ถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะอย่าเสียใจบางคนได้แล้วเสียใจเลยเนี่ยนวัสการมเขาหลวงเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการคนนี้ก่อนอย่าเสียใจไปเลยทนะี่ภาวนาอยู่นะมันก็ดีอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในการภาวนานะเราหัดรู้หัดดูของเราไปไม่ได้มีปัญหาสักนิดเดียวนะสภาวะอะไรอะไรก็เห็นอยู่ทุกอย่างอยู่แล้ว เหลือแต่ว่าดูไปแล้วใจเราเป็นกลางกับมันเรื่อยๆไปเท่านั้นเองแหละจะเสียใจอะไรนักหนาฮะ อ, าอา้าวอเนี่ยคล้ายๆตอนที่โดนเพื่อนตอบเลยรู้สึกไหมแบบเดียวกันเลยรู้สึกไหมเรามีบทเรียนเหมือนกันเลยสองครั้งต่อกันแล้วสไตล์เดียวกันเลยนึกไม่ถึงรู้สึกไหมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เราก็เสียใจ ทำไมต้องเสียใจรู้สึกไม้มขณะที่เสียใจเนี่ยจิตเราเข้าไปคลุกอยู่กับความเสียใจเข้าไปคลุกเข้าไปคล้าอยู่แล้วแยกออกมาไม่เป็นตอนนี้จิตมันกำลังจะแสดงบทเรียนเรื่องนี้อยู่มันเห็นตัวนี้ได้ชัดเราเรียนเรื่องนี้แหละดีที่สุดเลยนะแล้วหลวงพ่อก็จะให้เห็นตัวนี้ดูออกหรือยังว่าจิตมันเข้าไปเกาะแล้วมันไม่ออกมามันไปจับในความเสียใจทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้รู้สึกไหม มันไม่น่าจะเป็นไปได้แค่เพื่อนพูดอย่างนั้นหรือหลวงพ่อแยนอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นทำไมจิตมันเข้าไปเกาะเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราีัูอย่างนี้นะต้องให้เฉลยกันบ้านอีกดูสิเฉลยมากๆเดี๋ยวไม่เก่งนะหลวงพ่อจะฝึกเราไว้เป็นครูเอาไปทั้งหลังทา้งไหนเมื่อกี้เนี้ยเอายืดยืดตัวไหนหลวงพ่อมองไม่เห็นนมัสการค่ะลืมไปเลย จริงๆแล้วก่อนมากราบหลวงพ่อก็จะเป็นคนที่ชอบเรียบเรียงคำพูดมาแต่พอมาอยู่ในมือแล้วคำพูดมันก็ลืมไปหมดมทุกครั้งเลยค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะ ม, มันซึมซึมไปไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็มีคนแนะนำให้สร้างภาษะลูกระทบอะค่ะก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้ก็คือดีขึ้นนะคะรู้กระทบแต่อย่าให้ใจไหลไปในสิ่งที่กระทบนะแค่รู้แค่รู้ใจอยู่ต่างหาก ที่หนูรู้นี่หนูไหลไปเกาะอยู่ไหลไปเกาะอยู่อรู้สึกไหยใจก็เลยทื่อๆออกมาค่ะใจไม่ไม่โล่งอ่ะไม่โปร่งไม่สบายมันจงใจรู้แรงไปแล้วใจมันไหลเข้าไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ค่ะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมันเบิกบานผิดปกติอะค่ะแล้วมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวคือวันสองวันแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยากเป็นอย่างนั้นอีก ก็รู้ไปสินะก็ให้รู้อยากใช่ดีใช้ได้ภาวนาใช้ได้แล้วจริงๆพวกเราที่ถามถามนะจริงๆไม่จำเป็นต้องถามเลยเพราะดูเป็นละวดูเป็นแล้วดูไปเลยคือไม่ได้มาหาหลวงพ่อสามเดือนแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากคุยกับหลวงพ่อยากเผื่อหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนำอ่ะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะแต่อย่าไปเพ่งมันเนี่ยพอหลุดออกมาจากการเพ่งรู้สึกไหมมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ยใช้ได้รู้ไปอย่างเนี้ย หาผัสสะไม่ใช่ว่าจงใจไปกระทบอารมณ์นะหาัสสะหมายถึงเปลี่ยนอารมณ์ซะยังเคยมารู้แต่ลารมหายใจอย่างเดียวก็เปลี่ยนซะไปคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็จิตเราไหลออกไปเราก็รู้ทันให้กระทบผัสสะหมายถึงเปลี่ยนอารมณ์ซะบ้างไม่ใช่ไปจงใจกระทบนะเช่นจะกระทบมือกระทบอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะตอนที่ตอนนี้ที่กระทบอยู่มันไหลปะคะอะไรนะตอนนี้หนูกําลัง อันนี้คื อ, ย, อยังยผิดอยู่ใช่ปหะค ะ, ะไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวจงใจอ่ะจงใจ <c oughs> กระทบอยู่นะเอามาส่งไปส่งมาหรือส่งไปก็ไม่รู้เลยส่งเยอะแยะไปหมดเลยนะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ก็เมื่อกี้ก็ตื่นเต้นรู้สึกเสียใจว่าไม่ได้ไหมแต่ตอนที่ตัดใจได้ว่าเออไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรรู้สึกโล่งค่ะออโล่งแต่ตอนนี้ไม่ไมให้ใครแล้วค่ะเอาว่าไป <laughs> ก, ก็คือมันมีความรู้สึกบางทีมันเห็นข้างในเหมือนกับว่า ไม่สบายใจมีเหมือนมันมีความทุกข์อยู่ข้างในค่ะแต่ว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรมันก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรไม่ต้องรู้ก็ได้นะค่ะแต่ขนาดเดียวกันมันก็เห็นว่ามันคิดเห็นว่ามันมันฟุ้งซ่านมันมันไปตรงโน่นนี้ทีนี้ก็เลยฟังซีดีหลวงพ่อว่าเอ๊ะเป็นอยากจะเป็นนะคะอยากจะเป็นสภาวะอย่างที่หลวงพ่อว่าจิตมันมันทุกข์ของมันเองแล้วเราเห็นนะคะหรือว่าเอ๊ะเราบ้าไปหรือเปล่ามันอันไหนของแท้หรือของเทียมนะคะทีนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละจริงจริงมันทุกข์นะ เหคนทันไหวๆข้างในอะค่ะเออมันมีปรุงอยู่ตลอดเวลาทุกอยู่ตลอดเวลารู้ไปอย่างเป็นกลางค่ะแล้วก็ขอถามว่าตื่นหรือยังคมีสติตัวจริงเกิดหรือยังคะอีกคาถามเดียวค่ะเอออีกคำถามเด้อไปส่งไปไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวค่อยตอบนะอันเดียยดแรตอนนี้คืออีกคนหนึ่งจ้าขอคําแนะนําจากหลวงพ่อค่ะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้นะแต่ว่าสังเกตไหมอย่างตอนนี้ใจเราตื่นเต้น แใจบางทีก็ไหลไปคิดแวบเนี่ยตอนนี้ไหลไปแวบล้ไหลไปคิดใช่ไหมรู้ทันว่าใจมันไหลไปค่อยรู้ทันเรื่อยๆว่าใจไหลไปคิดนะของคุณมันไหลเร็วไหลแรงงั้นดูง่ายเนี่ยไปละใช่ไหมดูออกไหมตรงนเนี้ยเนี่ยรู้ทันตัวนี้นะแต่อย่าจ้องไว้ให้มันเผลอไปก่อนไหลไปก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปรอดูถ้าไปรอดูว่าเมื่อไหรจะไหลอย่างนี้ผิดเลยกลายเป็นเพ่งไปคุณผู้ชายข้างหลังสุดนัดเลย นั่นแหะนั่นแหะที่มือยาวกว่าเพื่อนเลยนั่นแหะวันนั้นถ้าไม่ได้แล้วเสียใจเอาให้ก่อนลําบากนะเป็นหลวงพ่อ <c oughs> กราบนมัสการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมที่ได้เข้ามาที่นี่ก่อนหน้านี้ผมได้ฟัง v ดีจากพี่ครับมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแล้วก่อนหน้านี้ความรู้สึกโกรธรู้สึกหลงรู้สึก ฉาเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกเแต่พอได้ฟังอืมฟิสิมซีดีหลวงพ่อก็รู้สึกว่าผมรู้ว่าโอเคตอนนี้ผมโกรธอยู่สักเดี๋ยวก็จะหายลงอิจฉาอยู่ก็จะหายลงก็เลยจะน้อมขอคําแนะนําจากหลวงพ่ อ, อครับคุณ น, นดูได้ดีแล้วนะขอคุณดูไปเรื่อยๆคุณเห็นไหมจิตจะโกรธเขาก็โกรธเองจิตจะอิจฉาเขาก็อิจฉาเองจิตมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ไม่ต้องคิดนะ นี่หลวงพ่อพูดให้ฟังเล่นๆไว้ก่อนวันนึงก็จะเห็นหรอกนะเอามาส่งมาข้างหน้าคุณเสื้อสเขียวใสแว่นตานี่นะคนนี้ก่อนนะคนนี้ก่อนกราบธรรมสการหลวงพ่อนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาที่นี่นะครับผมอ่าว่าไปครับผมก็เพิ่งได้เริ่มฟังวีซีดีนะครับแล้วก็ได้ลองพยายามปฏิบัติอยู่นะครับก็เลยอยากจะกราบขอกันบ้านจากทางหลวงพ่อครับผมทำสบายๆนะอย่าจงใจดู <c oughs> ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอานะ <c oughs> อย่าจงใจรู้เล่นๆไปพอใช้ได้ละครับผมขอบคุณครับเอาไปทางนู้นหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาทางนี้ได้กี่คนก็แค่นั้นนะนะเดี๋ยวมีพลาอีกหลายองค์ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ผมก็ตามรู้ตามดูอยู่ครับแต่บางครั้งมีความรู้สึกโมโหหรือมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นก็จะมีเหมือนกับมีตัวตั ว, ตวรู้ามาบอกว่าตื่นเต้นทําไมโงโหทําไมเนี่ยครับ ไม่รู้ว่เพราอะไรครับมันมันรักตัวเองมันรักดีอะไรเงี้ยรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วหรือมันจะต่อต้านเวลาจิตมันไม่ดีให้รู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆโกรธก็โกรธโลภ่อโลภก็แค่เห็นความโกรธความโลภความหลงผ่านมาผ่านไปดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆครับอย่าประคองนะประคองไว้นิดหนึ่งแล้วดูออกไหมครับไปประคองจิตให้นิ่งตรงนี้ไม่เอานะ ปล่อยให้จิตเขาทํางานแล้วตามดูไปอย่าไปประคองใครเขานิ่งนะเอามาเสื้อเขียวนี้ยกยกมือไว้คนนี้ถ้าไม่ได้ก็เสียใจเหมือนกันเนาะน้ำมันสักการครับหลวงพ่อผมก็ดูจิตในชีวิตปัจจุบันแล้วก็ตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิอยากให้หลวงพ่อแนะนําว่ามันมีอะไรต้องแก้ไขมั้ยครับใช่ได้นะของคุณดูไปเรื่อยๆแต่ดูอย่างสบายๆนะที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้ว เห็นกิเลสแล้วใช่ไหมเห็นเยอะเลยวันๆหนึ่งนั่นแหละดีเอามาส่งมาอีกนี่คนนี้ยกมือไว้ยาวลงนะคนสุดท้ายต้องรีบบอกไว้ก่อนกับน้สัมการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาได้ครั้งที่สองครั้งแรกไม่กล้าตอนนี้ก็สันสเหมือนกันแล้วก็ดูกิเลสของตัวเองนี่คือกิเลสเยอะมากแล้วก็ คือถ้าตอนนี้มีอะไรไหวนิดนึงก็รู้สึกตัวอแต่จะกระทบมากที่สุดคือลูกสาวเลยค่ะตัวนี้จะส่งอารมณ์ได้ดีที่สุดเลยดีนะแล้วที่ดูอยู่นี่ไม่ทราบว่าดีขึ้นดีหรือเปล่าเขาดีนะแต่ตอนเนี้ยกลัวหลวงพ่อใช่ไหมกลัวค่ะเลยไปกดให้มันนิ่งแต่ที่ดูอยู่ที่บ้านเนี้ยใช้ได้แต่มันฟุ้งซ่านไปนิดหน่อยใช่ค่ะเป็นคนคิดมากอให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านให้รู้จุดอ่อนของเรานี่แหละแต่ไม่ห้ามนะแค่รู้ว่าฟุ้งซ่าน บางทีก็บางทีก็จิตเขาเหมือนคล้ายๆไปรวมตัวกับไปเกาะกับอารมณ์นั้นบางทีก็แยกมาดวงห่างใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะเราไม่บังคับนะไม่ใช่ว่าต้องแยกตลอดมันไปรวมก็รู้มันแยกก็รู้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวนิยมเดี่ยภาวนากันเก่งๆมากเลยนะส่งกันบ้านเนี่ยพระบางทีพระกลัวเลยภาวนากันได้ดีตั้งอกตั้งใจนะแล้วก็พักเพียรอดทน วันนึงเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้เรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดกาลนานงั้นอะไรผิดไปแล้วทิ้งมันไปนะเอาปัจจุบันทําใหม่ฝึกตัวเองทุกวันทุกวั น, วนตามรู้ตามดูไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดนะผิดพลาดแล้วช่างมันตามรู้ตามดูกับปัจจุบันไปเรื่อยๆอนาคตต้องให้ดีกว่านี้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีอย่านอนตายอยู่กับความทุกข์นะ ชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้ไปกลับบ้านแม่ต้องเชียร์ด้วยดูสิ <laughs> <laughs> กลัวมไม่ทำ <laughs>